แห่งวิญญาณในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นั้นไม่มีอัตตาถ้าเรามองจากระยะไกลจากดวงจันทร์หรือดาวเทียมเราจะเห็นว่ามหาสมุทรนั้นดูสงบนิ่งและไม่เคลื่อนไหว คือ น, น้ำสีฟ้าววาแหว่งขนาดใหญ่ล้อมรอบพื้นแผ่นดินแต่เมื่อเราเข้าใกล้มันมากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวอยู่เสมอและปั่นป่วนด้วยกระแสน้ำและระดับน้ำที่ขึ้นลงอีกทั้งกระแสน้ำวนและคลื่น นั่นคือเรามองเห็นรูปแบบของมหาสมุทรเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่แยกจากกันอย่างชัดเจนเมื่อคลื่นแต่ละลูกเกิดขึ้นเราสามารถมองดูมันก่อตัวขึ้นสูงโถมทลายลงและม้วนกลิ้งอย่างรวดเร็วเข้าสู่ชายฝั่งแต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือการแยกคลื่น ออกจากมหาสมุทรและคุณคงไม่สามารถใช้ถังน้ําตักคลื่นออกมาแล้วนํากลับบ้านได้หรือถ้าคุณถ่ายรูปคลื่นนั้นแล้วนํากลับมาเปรียบเทียบดูกันใหม่ในวันรุ่งขึ้นก็ไม่มีคลื่นลูกไหนที่จะเหมือนกับคลื่นลูกเมื่อวานนี้ เมื่อเราเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับวิญญาณเราก็จะเกิดมุมมองที่น่าทึ่งจากการเปรียบเทียบกับมหาสมุทรลองนึกภาพว่ามหาสมุทรเป็นความจริงที่ไร้ที่ตั้งหรือดินแดนแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือการดำรงอยู่ในระดับดินแดนแห่งความเป็นจริงสูงสุด ซึ่งประสานสอดคล้องกับทุกสิ่งเราแต่ละคนก็เป็นเหมือนกับคลื่นในมหาสมุทรนั้นที่ถูกสร้างขึ้นจากน้ำทะเลและมหาสมุทรก็สร้างแก่นสารที่แท้จริงของตัวเราเช่นที่คลื่นรับเอารูปร่างเฉพาะ เราก็รับเอารูปแบบที่ซับซ้อนจากความเป็นจริงที่ไร้ที่ตั้งเช่นเดียวกันความเป็นไปได้ทั้งหลายก็เปรียบเสมือนมหาสมุทรมันกว้างใหญ่และไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นแกนแท็กของสรรพสิ่งในโลกทางกายภาพ มหาสมุทรเป็นตัวแทนของความกว้างใหญ่ที่ไรตําแหน่งที่ตั้งส่วนคลื่นเป็นตัวแทนของการมีตําแหน่งที่ตั้งทั้งสองเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดจนเมื่อเราระบุได้ชัดเจงว่าวิญญาณเกิดจากดินแดนแห่งความเป็นจริงสูงสุดที่ไรที่ตั้งตําแหน่งของเราในจักรวาล น, นี้ จึงชัดเจนขึ้นคือเราเป็นทั้งการมีที่ตั้งและไร้ที่ตั้งรูปแบบของคนแต่ละคนปรากฏขึ้นจากสติปัญญาที่ไร้ที่ตั้งซึ่งส่วนประกอบของคนทุกคนและทุกสิ่งเช่นกัน เราสามารถมองได้ว่าวิญญาณมีสองส่วนส่วนที่1นึ่งเป็นตำแหน่งไรที่ตั้งดำรงอยู่ณนะระดับดินแดนแห่งความเป็นจริงสูงสุดหรือโลกแห่งจิตวิญญาณมันทรงพลังบริสุทธิ์และมีศักยภาพในการกระทำทุกสิ่งมันเป็นจิตวิญญาณที่มีพลัง ไม่สิ้นสุดซึ่งดํารงอยู่ในตัวเราทุกคนอีกส่วนหนึ่งคือวิญญาณที่ดํารงอยู่ในระดับขวัญตั้มซึ่งวิญญาณส่วนนี้เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของคนแต่ละคนและรักษาแก่นสารของสิ่งที่เราเป็นไว้มันทรงพลังบริสุทธิ์ และมีศั ก, กยภาพในการกระทำทุกสิ่งเช่นกันซึ่งเรามักจะมองว่ามันเป็นตัวตนของเราที่แตกแขนงออกมาจากวิญญาณอันเป็นนิรันดร์ถ้าเราสามารถเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่จากระดับจิตวิญญาณเราจะเห็นได้ว่าส่วนที่ดีที่สุด และสว่างที่สุดในตัวของเรานั้นเชื่อมต่อกับการเคลื่อนไหวทุกจังหวะของจักรวาลเราจะรู้จักตัวเราอย่างแท้จริงว่าเป็นผู้ที่สร้างสารสิ่งอัศจรรย์ซึ่งเราก็สามารถเป็นเช่นนั้นได้จริงเราจะสูญสิ้นความกลัว ความอยากความวิตกกังวลความลังเลการมีชีวิตอยู่ด้วยพื้นฐานจากระดับจิตวิญญาณหมายถึงการดําดิ่งผ่านอัตตาผ่านข้อจำกัดของจิตใจที่เรายึดไว้กับเหตุการณ์และผลที่เกิดขึ้นจากโลกแห่งวัตถุ ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไม่มีเราเราที่เป็นปัจเจกซึ่งตะโกนก้องเพื่อเรียกร้องความสนใจมีแต่เกลียวคลื่นทั้งหลายกระแสน้ำวนต่างๆและระดับน้ำที่ขึ้นลงแต่ท้ายที่สุดทุกสิ่งก็คือมหาสมุทร เราทุกคนล้วนเป็นรูปแบบของความไม่มีตัวตนแต่แทงทำเป็นมีตัวตนสุดท้ายทั้งหมดก็เป็นจิตวิญญาณแต่กระนั้นเราทุกคนก็ยังรู้สึกถึงความเป็นปัจเจกใช่หรือไม่ประสาทสัมผัสของเรา ทำให้เรามั่นใจว่าร่างกายเหล่านี้เป็นของจริงเป็นสิ่งจริงแล้วเราก็คิดได้ด้วยความคิดความคิดที่เป็นเฉพาะของตัวเราเองเราเรียนรู้เรามีความรักมีลูกลูกและประกอบอาชีพของเราเอง ทำไมเราถึงไม่ได้รู้สึกว่ามาหาสมุทรอันกว้างใหญ่นี้ปัรนปวนอยู่ภายในตัวเราทำไมจึงมีข้อจำกัดมากมายในชีวิตของเราทั้งหมดต้องย้อนกลับไปสู่การดำรงอยู่ทั้งสามระดับในระดับทางกายภาพ คือสิ่งที่เราเรียกว่าโลกที่เป็นจริงวิญญาณคือผู้ที่เฝ้าดูท่ามกลางการสังเกตเมื่อใดก็ตามที่คุณสังเกตอะไรบางอย่างจะมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกันสามส่วนส่วนที่หนึ่งเกิดขึ้นในโลกทางกายภาพ คือวัตถุที่คุณสังเกตส่วนที่สองเกิดขึ้นระดับของจิตใจคือกระบวนการการสังเกตและส่วนที่สามคือผู้สังเกตที่แท้จริงซึ่งเราเรียกว่าวิญญาณ ลองดูตัวอย่างง่ายๆสักตัวอย่างหนึ่งขององค์ประกอบการสังเกตทั้งสามส่วนส่วนแรกคือสัตว์ตัวหนึ่งที่มีขนและมีขาสีขาเป็นวัตถุที่คุณสังเกตต่อมาดวงตาของคุณได้รับภาพของวัตถุ และส่งสัญญาณไปยังจิตใจของคุณซึ่งตีความว่าวัตถุนั้นเป็นสุนัขตัวหนึ่งแต่ใครคือผู้ที่ทำการสังเกตสุนักจงหมุนการรับรู้ของคุณไปสู่ภายในแล้วคุณจะระหนัดถึงลักษณะอย่างหนึ่ง ภายในตัวคุณลักษณะนั้นคือวิญญาณของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากพลังสร้างสรรค์ที่ไร้ตำแหน่งและกว้างใหญ่ซึ่งปรากฏอยู่ในตัวคุณดังนั้นจิตใจจึงเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรู้แต่วิญญาณ คือผู้รู้คุณลักษณะนี้หรือการตระหนักรู้นี้หรือผู้รู้นี้หรือวิญญาณดวงนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นจุดยืนในการอ้างอิงท่ามกลางฉากหลังทุกฉากที่กำลังเปลี่ยนไปในโลกทางกายภาพ คนแต่ละคนมีดวงวิญญาณเดียวแต่เพราะว่าเราสังเกตสิ่งหนึ่งจากสถานที่ที่แตกต่างกันและประสบการณ์ที่ต่างกันเราจึงไม่สามารถสังเกตของสิ่งเดียวกันในมุมมองที่เหมือนกันได้ทั้งหมดความแตกต่างของสิ่งที่เราสังเกตขึ้น อยู่กับการตีความของจิตใจตัวอย่างเช่นถ้าคุณและผมต้องสังเกตสุนัขตัวหนึ่งผมอาจมองว่าสุนัขนั้นเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและรู้สึกหวาดกลัวคุณอาจมองว่าสุนัขตัวเดียวกันนั้นเป็นเพื่อนที่ดีจิตใจของเราตีความการสังเกต ต, ต่างกัน เมื่อผมเห็นสุนัขผมจะวิ่งหนีแต่เมื่อคุณเห็นสุนัขคุณจะผิวปากเรียกมันและเล่นกับมันการตีความเกิดขึ้นในระดับของจิตใจแต่วิญญาณของแต่ละคนนั้นถูกปรับสภาพโดยประสบการณ์และผ่านความจําของประสบการณ์ในอดีต วิญญาณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการตีความในชีวิตของเราได้จุดเล็กๆของความทรงจำเกี่ยวกับประสบการณ์เหล่านี้สะสมอยู่ในวิญญาณของแต่ละคนมาตลอดชีวิตและการผสมผสานของความทรงจำกับจินตนาการที่ตั้งอยู่บนประสบการณ์ที่เรียกว่ากัง กรรมจะเก็บสะสมในส่วนที่เป็นวิญญาณส่วนตัวรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในจุดสำคัญของชีวิตและแต่งแต้มสีสันให้กับมันวิญญาณส่วนตัวนี้ควบคุมดูแลความรู้สึกรับผิดชอบวิญญาณส่วนตัวนี้ควบคุมดูแลความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และนำมาซึ่งแม่แบบของบุคคลในประเภทที่เราแต่ละคนอยากเป็นยิ่งไปกว่านั้นการกระทาของเราสามารถส่งผลต่อวิญญาณส่วนตัวนี้ได้และการเปลี่ยนแปลงกรรมของเราให้ดีขึ้นหรือเลวลงได้ ส่วนวิญญาณแห่งจักรวาลที่ไร้ที่ตั้งนั้นไม่ถูกแต่ต้องโดยการกระทำของเราแต่เชื่อมกับจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยแท้จริงแล้วนิยามของการรู้แจ้งคือการรับรู้ว่าฉันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่แลเห็นและ ถูกมองเห็นสังเกตและถูกสังเกตจากมุมมองที่พิเศษผิดธรรมดาและมุมมองที่มีตำแหน่งจำกัดสิ่งใดก็ตามที่เราที่เราเป็นไม่ว่าจะทำให้ชีวิตวุ่นวายไร้ระเบียบ ม, มากขนาดไหน ก็ยังเป็นไปได้เส ม, มอที่จะสัมผัสเข้าไปในส่วนของวิญญาณแห่งจักรวาลหรือในดินแดนแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและการเปลี่ยนแปลงเส้นทางชะตาชีวิตของเรานั้นคือการลิขิตชีวิตอย่างประจวบเหมาะหรือการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อระหว่างวิญญาณส่วนตัวและวิญญาณแห่งจักรวาล เพื่อสร้างชีวิตของเราดังนั้นแล้วความทรงจำจุดเล็กๆทั้งหลายที่ถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์หรือจากกรรมของเราจะช่วยกําหนดบุคคลที่เราเป็นแต่ความเป็นปัจเจกของวิญญาณส่วนตัวของเราถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่เป็น มากกว่ากรรมนั่นคือความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆของชีวิตซึ่งแสดงบทบาทสำคัญในการสร้างวิญญาณเช่นกันให้ผมอธิบายโดยการพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะการดำรงอยู่แต่ละอย่างของเราอย่างถี่ถ้วนมากขึ้น เมื่อเราพิจารณาร่างกายภายนอกของเราเราค้นพบว่าสิ่งที่เราเป็นจริงๆคือกลุ่มของโมเลกุลที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เซลล์ต่างๆของร่างกายเราถูกสร้างขึ้นตายไปและแทนที่ด้วยเซลล์ใหม่เป็นเช่นนี้อยู่หลายครั้งหลายคราตลอดชีวิตของเราเรากำลังสร้างตัวเราเองขึ้นใหม่ตลอดเวลา และเพื่อที่จะทำเช่นนั้นร่างกายของเราจะต้องเปลี่ยนอาหารที่เรากินเข้าไปให้เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของชีวิตพื้นดินเองก็เป็นสิ่งที่หยิบยื่นสารอาหารที่เราต้องการเพื่อสร้างตัวเราขึ้นใหม่เช่นกันและเมื่อเราขจัดเซลล์ออกไปมันก็จะกลับคืนสู่พื้นดินโลก จึงอาจกล่าวได้ว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงร่างกายภายนอกของเราโดยการหมุนเวียนนำโลกกลับมาใช้ใหม่อยู่เสมออันดับต่อไปพิจารณาด้านอารมณ์ของเราอารมณ์เป็นเพียงพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่อารมณ์ไม่ได้ก่อเกิดขึ้นจากตัวเรา มันมาแล้วก็ไปโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์สภาวะแวดล้อมความสัมพันธ์และเหตุการณ์เหตุการณ์ในวันที่11กันยายนคริสตศักราช2001ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมของตึก World Trade Center ความตื่นตระหนกและความหวัดวัน เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกผลทุกแห่งซึ่งถูกจุดชนวนด้วยเหตุการณ์ในวันนั้นและอารมณ์ที่เต็มไปด้วยพลังงานเหล่านั้นยังคงต่อเนื่องอยู่อีกหลายเดือนมันไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยลำพังแต่มักจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการมีปฏิกิริยาบางอย่างกับสิ่งแวดล้อม ถ้าขาดสภาวะแวดล้อมหรือความสัมพันธ์ต่างๆก็จะไม่มีอารมณ์ดังนั้นแล้วถึงแม้ว่าผมอาจตกอยู่ในอารมณ์เดือดา้นมันก็ไม่ใช่ความโกรธของผมโดยแท้จริงมันเป็นความโกรธที่ตั้งอยู่ในตัวผม เพียงชั่วครู่ลองนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่คุณอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีอารมณ์เหมือนๆกันเช่นท่ามกลางฝูงชนที่กำลังโกรธหรือกลุ่มคนที่กำลังโศกเศร้าในพิธีศพหรือแฟนๆ ฟ, ฟุตบอลที่อยู่ในการแข่งขันที่ฝ่ายตนเองชนะ คงจะเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่รู้สึกคล้อยตามไปกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะว่าพลังอำนาจของมันมากเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่แสดงออกโดยคนจำนวนมากพร้อมๆกันมันจะไม่เป็นความโกรธความเศร้าหรือความปลื้มปิติของคุณอีกต่อไปในสถานการณ์เช่นนั้น อารมณ์แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับบริบทสภาวะแวดล้อมความสัมพันธ์ซึ่งกำหนดความจริงของคุณในขณะนั้นแล้วความคิดของเราละ่ะความคิดของเราก็เป็นข้อมูลที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เช่นกัน โดยแท้จริงแล้วความคิดทุกอย่างที่เรามีเป็นส่วนประกอบของข้อมูลส่วนรวมที่สะสมไว้เมื่อร้อยปีที่แล้วคงเป็นไปไม่ได้ที่จะกล่าวว่าฉันกำลังไปดิสนีย์เวิลด์ด้วยสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์คนทั่วไปไม่มีความคิดของสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นผมจึงไม่สามารถมีความคิดนั้นได้มันไม่มีดิสนีย์เวิลด์ไม่มีเดลต้าแอร์ไลน์จึงไม่ต้องเอ่ยถึงสายการบินพาณิชอื่นๆเลยความคิดทั้งหมดยกเว้นความคิดดั้งเดิมสุดเป็นเพียงข้อมูลที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือแม้แต่ความคิดดั้งเดิมสุดก็ตามแท้จริงแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันของการสร้างสรรในทางควอนตัมซึ่งเกิดขึ้นจากฐานของข้อมูลส่วนรวมเกิดขึ้นจากฐานของข้อมูลส่วนรวมเดียวกันที่นากลับมาใช้ใหม่แม้ว่าหลีที่ว่า การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันทางควอนตัมจะกลายเป็นเรื่องปกติในการพูดคุยในชีวิตประจำวันไปแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็มีความหมายเฉพาะตัวของมันทีเดียวเมื่อครั้งที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะตอมที่โรงเรียนคุณครูสอนว่านิวเคลียสหนึ่งประกอบไปด้วยโปรตอน และนิวตรอนและมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่ล้อมรอบนิวเคลียสด้วยวงโคจรหรือชั้นที่คงที่ซึ่งแปรผันไปตามระยะห่างจากนิวเคลียสคุณครูยังสอนอีกว่า อิเล็กตรอนจะอยู่ในวงโครจรเฉพาะวงหนึ่งแต่บางครั้งก็เปลี่ยนไปสู่อีกชั้นวงโครจรหนึ่งได้เมื่ออิเล็กตรอนตัวหนึ่งรับเอาพลังงานเข้าไปมันก็สามารถกระโดดไปสู่วงโครจรที่สูงขึ้นแต่ถ้ามันปล่อยพลังงานออกมามันจะตกลง สู่ชั้นวงโครจรที่ต่ำลงแต่สิ่งที่เราส่วนใหญ่ไม่เคยได้เรียนคือเมื่ออิเล็กตรอนเรียนวงโครจรมันไม่ได้เคลื่อนผ่านที่ว่างเพื่อมาถึงตำแหน่งใหม่แต่ในทางตรงกันข้ามณนะเวลาหนึ่งที่อิเล็กตรอนอยู่ในวงโครจร A เพียงชั่วครู่เดียว มันย้ายไปอยู่ในวงโครจรบีโดยไม่ได้เดินทางผ่านช่องว่างระหว่างกันนี่คือความหมายของการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันทางควอนตัมซึ่งก็คือการเปลี่ยนสถานะจากสภาวะแวดล้อมหนึ่งไปสู่สภาวะแวดล้อมอื่นโดยปราศจากการผ่านสภาวะแวดล้อมที่อยู่ในระหว่างกัน นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าพวกเขาไม่สามารถคาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันทางควอนตัมจะเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่แม้พวกเขาจะสามารถสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่ทําให้เขาประมาณการการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันทางควอนตัมได้แต่พวกเขา ก็ไม่เคยคาดการได้ทั้งหมดในระดับอนุภาคย่อยสิ่งที่ไม่สามารถคาดการได้เพียงเล็กน้อยนี้ดูเหมือนไม่สลักสำคัญอะไรและถ้าอิเล็กตรอนกระโดดจากวงโคจรหนึง่งไปสู่อีกวงหนึง่งมีอะไรเกี่ยวข้องกันกับชั้นอย่างนั้นหรือ นี่ไงเมื่อเราหันมาพิจารณาอะตอมทั้งหมดในโลกและสิ่งที่อยู่เหนือการคาดการณ์ทั้งหมดนี้เราคงจะต้องมองมองโลกในมุมใหม่ทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์รับรู้ถึงธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ และพยายามเข้าใจมันแม้แต่เหตุการณ์ที่ดูเหมือนง่ายที่สุดก็ยังถูกครอบคลุมด้วยความไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้นี้เช่นฟองอากาศของน้ำเดือดจะปรากฏขึ้นที่ไหนและเมื่อไรควันบุหรี่ที่จุดแล้วจะออกมาในรูปแบบใด สถานะโมเลกุลของน้ำณนะจุดสูงสุดของน้ำตกแห่งหนึ่งสัมพันธ์กับสถานะสุดท้ายณนะจุดต่ำสุดอย่างไรตามที่เจมส์กรกได้เขียนไว้ในหนังสือของเขาว่าตราบใดที่ยังคงเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์มาตรฐานพระเจ้า อาจจะแอบนำโมเลกุลของน้ำเหล่านั้นไปแล้วสับเปลี่ยนมันด้วยพระองค์เองก็เป็นได้วิทยาศาสตร์แขนงใหม่นั้นวุ่นวายอยู่กับการพยายามคาดเดาสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้โดยผ่านแบบจำลองทางด้านคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนจากตัวอย่างยอดนิยม คือผีเสื้อตัวหนึ่งกระพือปีกอยู่ในเท็กซัสและอีกหกวันต่อมาก็เกิดพายุใต้ฝุ่นในโตเกียวความเชื่อมโยงกันอาจดูไม่เด่นชัดแต่มันเกี่ยวข้องกันความกดอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ซึ่งเกิดขึ้นโดยผีเสื้อนั้นสามารถเพิ่มขึ้นและทวีคูณจนเกิดเป็นพายุทอร์นาโดตามมาได้แต่มันไม่เคยคาดการได้ถูกทั้งหมดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพยากรณ์อากาศจึงดูเหมือนจะผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งแล้วทำไมการพยากรณ์ล่วงหน้า เกิน48ชั่วโมงจึงไม่น่าเชื่อถือแต่ท่ามกลางสิ่งที่เป็นไปได้ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ภูมิอากาศเป็นสิ่งที่น่าคาดการมากกว่าสิ่งอื่นใดเมื่อจะกล่าวถึงเรื่องนี้ในแง่ของระดับจิตวิญญาณ คือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าชีวิตของเราจะก้าวไปในทิศทางใดความตั้งใจและการกระทําของผีเสื้อตัวน้อยๆที่กระพือปีกนั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชะตากรรมของเราอย่างไรบ้างขณะเดียวกันมันก็บอกกับเราว่าเราจะไม่เคยรู้ถึงจิตใจของพระเจ้าได้อย่างแท้จริง เราจะไม่เคยเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรที่ไหนและเมื่อไรแม้แต่เรื่องง่ายๆเช่นน้ำเดือดเราต้องยอมจำนนต่อความไม่แน่นอนในขณะเดียวกันก็ชื่นชมไปกับความงามอันประณีตของมัน การสร้างทั้งหลายล้วนขึ้นอยู่บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันทางควันตั้มและความไม่แน่นอนซึ่งในโอกาสเฉพาะจริงจริงจึงจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เคยมีมาก่อนส่งผ่านออกมาจากฐานข้อมูลส่วนรวมความคิดเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในคนที่โชคดี แต่เกิดขึ้นจากจิตสำนึกส่วนรวมนี่คือเหตุผลว่าทำไมการค้นพบทางวิทยาศาสตร์จึงต้องแยกกันทำโดยคนสองคนนี้ขึ้นไปในเวลาเดียวกันความคิดต่างๆหมุนเวียนอยู่แล้วในจิตไร้สำนึกส่วนรวมและจิตใจที่พร้อม ก็จะสามารถตีความข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วนี่คือธรรมชาติของอัจฉริยะที่สามารถฉกฉวยเอาสิ่งที่เรียนรู้ได้แม้แต่ในยามที่ไม่มีใครรับรู้ว่ามันมีอยู่ในช่วงเวลานั้นนวัตกรรมหรือความคิดเชิงสร้างสารรค์ ยังไม่ได้คงอยู่แต่ในเวลาต่อมามันกลายเป็นส่วนประกอบของโลกที่รับรู้ได้ของเราแล้วในระหว่างนั้นมันอยู่ที่ไหนมันมาจากดินแดนแห่งความเป็นจริงสูงสุดในระดับของจิตวิญญาณแห่งจักรวาลซึ่งสิ่งทุกสิ่ง อาจเกิดขึ้นได้บางครั้งบางครั้งความสามารถนี้ก็สร้างบางสิ่งที่สามารถคาดการได้บางครั้งมันก็สร้างบางสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ในดินแดนนี้ความเป็นไปได้ทั้งปวงคงอยู่แล้ว ฉะนั้นถ้าร่างกายของเราเป็นพื้นดินที่นำกลับมาใช้ใหม่อารมณ์ของเราก็คือพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่และความคิดของเราเป็นข้อมูลที่นำกลับมาใช้ใหม่แล้วอะไรที่ทำให้คุณเป็นปัจเจกและบุ ค, คลิกลักษณะของคุณละ่ะ บุคลิกไม่ได้เริ่มต้นจากตัวเราเช่นกันมันถูกสร้างขึ้นโดยผ่านลักษณะการแสดงออกของตัวตนที่คัดเลือกมาแล้วต่อสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆลองคิดเกี่ยวกับเพื่อนสนิทของคุณสักคนหนึ่งคุณจะให้คำนิยามเพื่อนคนนั้นว่าอย่างไร คนส่วนใหญ่มักจะกำหนดความหมายของใครสักคนโดยการบรรยายถึงผู้คนต่างๆที่อยู่ในชีวิตของเขาเช่นคู่ครองของเขาลูกๆของเขาพ่อแม่ของเขารวมทั้งคนที่เขาร่วมงานด้วยนอกจากนี้ เราก็ยังบรรยายคนอื่นด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ชีวิตของเขาเช่นลักษณะงานที่เขาทำสถานที่ที่เขาอาศัยสิ่งที่เขาชอบทำดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าบุคลิกลักษณะจึงถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความสัมพันธ์แบบต่างๆและสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้นในขณะ น, นี้เราอาจถามว่าถ้าร่างกายของฉันอารมณ์ความคิดและบุ ค, คลิกลักษณะของฉันไม่ใช่สิ่งดั้งเดิมหรือถูกสร้างขึ้นโดยตัวฉันเองถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วฉันเป็นใคร ตามความเชื่อหลักๆทางด้านจิตวิญญาณทั้งหลายมีสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่อยู่ข้อหนึ่งคือฉันเป็นสิ่งอื่นถ้าปราศจากสิ่งอื่นเราคงจะดำรงอยู่ไม่ได้วิญญาณของคุณคือภาพสะท้อนของวิญญาณทั้งหมด ลองนึกถึงความพยายามที่จะเข้าใจเรือขขายที่ซับซ้อนของการมีปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณกับคนอื่นๆที่ทำให้คุณเป็นคุณในทุกวันนี้เช่นครอบครัวและเพื่อนของคุณทุกคนครูครูทุกคนและเพื่อนร่วมห้องที่คุณเคยมี พนักงานทุกคนตามร้านทุกร้านที่คุณเคยไปคนทุกคนที่คุณเคยทำงานด้วยหรือมาเกี่ยวข้องกับคุณณนะจุดใดก็ตามของชีวิตต่อมาคุณต้องค้นหาว่าพวกเขาเป็นใครเพื่อจะเข้าใจคนเหล่านั้นทุกคนและลักษณะของอิทธิพลที่พวกเขามีต่อคุณ คราวนี้คุณต้องบรรยายเครือข่ายของความสัมพันธ์ต่างๆที่อยู่ล้อมรอบความสัมพันธ์ต่างๆที่อยู่ล้อมรอบกลุ่มคนเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของคุณด้วยเช่นกัน และในที่สุดคุณจะพบว่าคุณต้องการจะบรรยายไปทั่วทั้งจักรวาลเพื่อที่จะกาหนดนิยามของบุคคลคนเดียวในความจริงแล้วคนคนเดียวก็เป็นทั้งจักรวาลคุณเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถูกมองจากมุมมองเฉพาะที่ถูกจำกัด วิญญาณของคุณเป็นส่วนประกอบของตัวคุณที่เป็นทั้งปัดเจและเป็นสากลในเวลาเดียวกันและมันเป็นภาพสะท้อนของวิญญาณอื่นๆทุกดวงดังนั้นการให้ความหมายกับวิญญาณในลักษณะนี้คือการเข้าใจว่าวิญญาณของคุณเป็นทั้งวิญญาณส่วนตัว และวิญญาณแห่งจักรวาลในเวลาเดียวกันซึ่งมีความหมายและในที่อยู่นอกเหนือจากประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของคุณวิญญาณคือผู้สังเกตซึ่งตีความและตัดสินใจในการมาบรรจบกันของความสัมพันธ์แบบต่างๆ ความสัมพันธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงภูมิหลังสถานที่ตั้งลักษณะและเหตุการณ์ต่างๆที่สร้างเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเราดังที่วิญญาณถูกสร้างโดยผ่านความสัมพันธ์แบบต่างๆและเป็นภาพสะท้อนของความสัมพันธ์ทุกแบบประสบการณ์ของชีวิต ก็ถูกสร้างขึ้นจากบริบทที่แวดล้อมและความหมายโดยบริบทแวดล้อมที่ผมหมายถึงคือทุกสิ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวเราซึ่งทำให้เราเข้าใจว่าความหมายของการกระทำถ้อยคำการปรากฏขึ้น หรือสิ่งอื่นใดก็ตามของแต่ละคนตัวอย่างเช่นคำคำหนึ่งสามารถมีความหมายที่แตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ล้อมรอบสิ่งที่อยู่โดยรอบหรือบริบทของมันถ้าผมพูดว่าเห่าโดยปราศจากบริบทใดๆ คุณจะไม่รู้หรอกว่าผมหมายถึงการเขา่าการเห่าของสุนัขหรือ ง, งูเหา่าเมื่อเราพูดว่ามีคนยกเอาคาพูดของเราไปพูดนอกบริบทเรารู้แล้วว่าจะต้องมีคนเข้าใจความหมายของคำนั้นไม่ถูกต้องเพราะบริบทเป็นตัวกำหนดความหมายของทุกสิ่งการไหลลื่นไปของความหมาย คือการไหลไปของชีวิตบริบทของเราช่วยตัดสินว่าเราจะตีความสิ่งที่เราต้องเผชิญในชีวิตนี้อย่างไรและการตีความหมายเหล่านั้นจะกลายเป็นประสบการณ์ของเรา ดีพักโชวปลาโชวดวงความบังเอิญคุณกำหนดได้ ในที่สุดเราก็มาถึงคำนิยามที่สมบูรณ์มากขึ้นของคำว่าวิญญาณวิญญาณคือผู้สังเกตซึ่งตีความและตัดสินใจโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรรมนอกจากนี้ยังเป็นจุดที่ความสัมพันธ์แบบต่างๆมาบรรจบกัน และเป็นจุดที่บริบทและความหมายปรากฏขึ้นและการไหลไปของบริบทและความหมายนี้เองที่สร้างประสบการณ์เพราะฉะนั้นเราจึงสร้างชีวิตของเราโดยผ่านวิญญาณ น, นั่นเองแล้วผมจะอธิบายให้ฟังต่อไป เกี่ยวกับวิธีที่จะเข้าถึงการเข้าใจธรรมชาติของวิญญาณทั้งสองด้านและสัมผัสเข้าไปในดินแดนที่ไร้ที่ตั้งของความเป็นไปได้ล้วนๆซึ่งก็คือการทำสมาธิการทำสมาธิจะช่วยให้เราเข้าถึงระดับของวิญญาณโดยการผ่อนคลายความคิดและอารมณ์ที่สับสนวุ่นวาย ซึ่งมักจะดึงเอาความสนใจของเราไปผูกติดอยู่กับโลกทางกายภาพเมื่อเราหลับตาทำรรมสมาธิความคิดจะปรากฏขึ้นมาทันทีคุณมีความคิดได้สองประเภทเท่านั้นนั่นคือความทรงจำและจินตนาการ แต่ความคิดเหล่านี้ไม่ได้กำเนิดขึ้นในร่างกายของคุณเช่นที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วลองดูการทดลองทางความคิดเล็กๆนี้ผมอยากให้คุณนึกเกี่ยวกับอาหารเย็นที่คุณกินไปเมื่อคือนก่อน คุณจำได้หรือไม่ว่าคุณกินอะไรอาหารรสชาติเป็นอย่างไรคุณพูดคุยอะไรกันบ้างคราวนี้ข้อมูลเหล่านั้นอยู่ที่ไหนก่อนที่ผมจะถามคำถามเหล่านี้ การรับประทานอาหารเย็นเกิดขึ้นไปแล้วแต่ข้อมูลของมันไม่ได้คงอยู่เป็นแต่เพียงข้อมูลแฝงถ้าให้สันเลยะแพทย์ผ่าเข้าไปในสมองของคุณมันก็ไม่ปรากฏร่องรอยของข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่คุณกินเข้าไปเมื่อตอนเย็นรอความทรงจำดำรงอยู่ในระดับของวิญญาณ จนกระทั่งคุณเรียกมันขึ้นมาเมื่อเราตั้งใจที่จะนึกถึงอาหารเย็นของเราเราจะเห็นได้จากการอ่านค่ากระแสไฟฟ้าและการปล่อยสารเคมีซึ่งเป็นสัญญาณว่าสมองกำลังทำงานแต่ก่อนที่เราจะดึงเอาความทรงจำขึ้นมา มันไม่ได้ตั้งอยู่ในสมองของคุณเพียงแค่ถามคำถามหรือพยายามนึกถึงเหตุการณ์ก็สามารถเปลี่ยนความทรงจำเสมือนไปสู่ความทรงจำที่แท้จริงได้จินตนาการก็เป็นเช่นเดียวกันมันไม่ได้คงอยู่ในจิตใจหรือในชีวิตของคุณ จนกระทั่งมันส่งผลมาจากดินแดนแห่งความเป็นจริงสูงสุดแต่จินตนาการมีผลกระทบต่อจิตใจและร่างกายที่ทรงพลังมากการทดลองทางความคิดธรรมดาธรรมดาแต่มีประสิทธิภาพมากการทดลองหนึ่งคือจินตนาการว่า คุณฝานมะนาวเป็นเสี้ยวใหญ่ๆนำมะนาวชิ้นหนึ่งวางไว้ระหว่างฟันแล้วกัดเข้าไปที่เนื้อมะนาวนึกภาพว่าน้ำมะนาวพุ่งเข้าไปในปากของคุณขณะที่คุณกัดมัน ถ้าคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่เพียงความคิดวูบเดียวนี้ก็ทำให้คุณน้ำลายสอนี่เป็นการสื่อสารจากร่างกายของคุณว่ามันเชื่อฟังสิ่งที่จิตใจของคุณกำลังบอกมันแต่ก็อีกครั้ง กับคำถามที่ว่ามะนาวลูกนั้นอยู่ที่ไหนก่อนที่ผมจะขอให้คุณคิดถึงมันมันไม่อยู่ที่ไหนสักแห่งแต่อยู่ที่ระดับของความเป็นไปได้ที่ซ่อนเร้นดังนั้นความตั้งใจจินตนาการ การยางรู้ล่างสังหรณ์แรงบันดาลใจความหมายจุดมุ่งหมายความคิดสร้างสรรการเข้าใจทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสมองเลยแต่มันสร้างสรรกิจกรรมของมันโดยผ่านสมอง สิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของโลกที่ไร้ที่ตั้งที่อยู่นอกเหนือมิติของอวกาศและการเวลาแต่ผลกระทบของมันยังคงรู้สึกได้อย่างรุนแรงเมื่อมันเข้ามาสู่จิตใจของเราเราต้องทำอะไรบางอย่างกับมันและสิ่งที่เราทำนั้น จะส่งผลต่อตัวตนที่คุณกำหนดให้เป็นนั่นเพราะว่าเรามีจิตใจที่อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลและมีแนวโน้มที่จะสร้างเรื่องราวต่างๆให้เกี่ยวข้องกับความคิดนึกเหล่านี้คุณอาจคิดว่าสามีของฉัน รักฉันหรือลูกๆของฉันมีความสุขหรือฉันสนุกกับการทำงานคุณสร้างเรื่องราวที่มีเหตุผลเกี่ยวกับความนึกคิดเหล่านี้และสร้างความหมายจากมันแล้วคุณก็ไปใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้ในโลกทางกายภาพ จนวาระสุดท้ายและนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตประจำวันเรื่องราวของเราเกิดจากความสัมพันธ์คำอธิบายและความหมายต่างๆซึ่งถูกจุดชนวนขึ้นโดยผ่านความทรงจำและเป็นผลมาจากกรรมและประสบการณ์ เมื่อเราใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้เราจะเริ่มตระหนักว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นต้นฉบับแรกถึงแม้ว่ารายละเอียดของเรื่องอาจแปรผันไปจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งแต่แก่นแท้ของเรื่องและแนวคิดนั้นคงอยู่มาตลอดเป็นแม่แบบพื้นฐาน ที่เล่นแล้วเล่นอีกไม่รู้จบไม่ว่าจะเป็นวีรบุรุษและจอมวายร้ายบาปและการปลดให้พ้นบาปพระเจ้าและปีศาจร้ายตัณหาราคะต้องห้ามและความรักที่ไร้เงื่อนไขซึ่งแก่นแท้เรื่องเดียวกันนี้ ทำให้คนมากมายหลงไหลในละคร น, น้ำเนา่าขอล่ามซุดซิบนินทานังสือพิมพ์แทบลอยซึ่งเป็นสิ่งที่เรามักจะเห็นในรูปแบบที่ค่อนข้างเกินจริงเราชื่นชอบเรื่องราวเหล่านั้นก็เพราะว่ามันแสดงลักษณะบางอย่าง ของวิญญาณเราและแนวคิดเหล่านี้ก็เป็นต้นแบบเดียวกันกับที่ถูกนำเสนอในรูปแบบที่เกินจริงในลักษณะของตำนานเทพดังนั้นไม่ว่าเราจะพิจารณาตำนานเทพของอินเดียกรีกรืกของอีบก็ตามเราก็จะพบแก่นแท้แก่นของเรื่อง และแนวความคิดเดียวกันนี้บทละครของเรื่องเหล่านี้น่าประทับใจและน่าคล้อยตามมากกว่าเรื่องที่แต่งขึ้นเองเพราะแนวคิดเหล่านี้สะท้อนกล้องอยู่ในวิญญาณของเราถึงตอนนี้ เราสามารถขัดเกลานิยามของวิญญาณให้ครอบคลุมได้มากขึ้นเสียอีกวิญญาณคือจุดจบจุดบรรจบของความหมายเนื้อหาของคำอธิบายความสัมพันธ์และเรื่องราวแห่งเทพหรือแก่นแท้ที่เป็นต้นแบบซึ่งสร้างสรรค์ความคิดความทรงจำ และความปราดถนาในชีวิตประจำวันถูกปรับสภาพโดยกรรมและสร้างเรื่องราวต่างๆที่เรามีส่วนร่วมคนเกือบทุกคนมีส่วนร่วมในเรื่องราวของชีวิตโดยไม่รู้ตัวเราก็มีชีวิตเหมือนนักแสดงในละครเรื่องหนึ่ง ซึ่งได้รับบทเพียงบทเดียวในแต่ละครั้งและเข้าร่วมแสดงโดยปราศ จ, จากความเข้าใจเรื่องราวทั้งเรื่องแต่เมื่อคุณสัมผัสกับวิญญาณของคุณคุณจะเห็นบทละครทั้งหมดคุณจะเข้าใจและคุณก็ยังคงมีส่วนร่วมในเรื่องนั้นแต่ครั้งนี้ คุณจะเข้าร่วมได้อย่างเต็มที่มีความสุขมีสติคุณสามารถตัดสินใจได้โดยขึ้นอยู่กับความรู้และมีชีวิตจากอิกสระภาพแต่ละช่วงเวลานั้นมีคุณลักษณะที่ลึกซึ้งมากขึ้นซึ่งคุณลักษณะนี้ มาจากการชื่นชมความหมายในบริบทของชีวิตคุณสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากกว่านั้นคือเราตัวของเราเองสามารถเขียนบทละครขึ้นใหม่ได้หรือเปลี่ยนแปลงบทบาทโดยการใช้ความตั้งใจ หรือเจตนารมในการไ่ว้คว้าโอกาสที่เกิดขึ้นจากเหตุบังเอิญรวมทั้งการซื่อสัตย์ต่อเสียงเรียกร้องเสียงร้องเรียกของวิญญาณเราดีพักชปลา โชดวงความบังเอิญคุณกำหนดได้